จะเทศเรื่องเริ่มต้นใหม่ไม่ันแ้กเราอาจจะแททีเริ่มแล้วก็เริ่มเร่าอยู่แล้วเนี่ยเบื้องต้นการทำสมาธิภาวนานใครๆก็ต้องการอยากจะทำให้สูงเด่นขึ้นไปลืมเบื้องต้นเสียมันก็ไม่ถูกเหมือนกัน เมื่อจับต้นไม่ถูกแล้วม่าจะจับลายไปจับตามก็ไม่ถูกเลยียดิต้นไม้ตั้งหากว่าจะเป็นไม้ต้องลุกหรือไม่ยืนต้นก็ตามแล้วกลูกนในพื้นดินฝังให้แน่นแลว้วมันจะไป่ขึ้นถ้างหากว่า เราเห็นคนนั่นปลูกน้นก็ขึ้นน้ําดีคนนี้ก็ปลูกนี่ก็ขึ้นน้าดีอยากได้ย่างเขาไปย้ายไปเรื่อยปลูกย้ายไปเรื่อยไหนคนที่เจอก็ตายซะต้นไม้เลยไม่ขึ้นเติบโตขึ้นมันพูดทำสมาธิเหมือนกันเลยเนี่ยเห็นก็ทําได้ดีแต่ดีอย่างนั้นอย่างนี้คนนั่นก็ว่านั่นคนนี้ก็ว่าอย่างนี้ ภานาปาสติบังพุโทโธบัุยกน้องอ้องน้องธรมาอล้วหังเห็นเขาดีก็เลยอยากดีกับเขาย้ายไปเรื่อยให้คนที่ตัวเกิดไม่ไม่ได้หลับสักอันเดียวเรื่องการภาวนาอย่างนั้นเหมือนกันของดีไม่ใช่อื่นไกล ของดีเกิดที่หัวใจของเราเนี่ยได้แต่ไหนไปไห น, ไนเกาเถอะวิธีกรรมไนเกาเถอะจะต้องใช้กายวะต้องใช้กายใช้ใจนหละลองคิดดูพราพุทะเจ้าสอนพวกเราเราในนิทานต่างๆหรือเรื่องต่างๆที่ท่านเป็นมาแล้ว ท่านสอนใจิตวิจัยในท้งนั้นถึงเขาทํำดีทําดีอะไรๆควมรู้วิชาเจนก็ต้องออกไปจากหัวใจของเขาเนะี่ยแต่เราทําไม่ถูกล้วก็มีใจเหมือนกันกับเขามีความคิดความนึกเหมือนกันกับเขารู้สึกดีขั่วยอย่างนั้นกับเขาเนะี่ยแต่เราทําไม่ถูก ไม่เป็นหลักฐานทำอะไรไม่มั่นโงไอ้พุทธ อ, องค์เทศสนาวะก็อีราเกเจ ก, กิราเทนังดันทะเม น, นังประรักกามิทำอะไรทำจริงจิตทำมันแน้วแน่เต็มที่เึงจอเป็นไปเพื่อประโยชน์ ตัวเราไม่ทําจริงจังนันสิได้มันนี่ก็ไม่เป็นประโยชน์ทนจริงจังแล้วก็ทำตรงนี้เนีลยไม่ทําที่อื่นที่ใจทำที่ใจที่กายที่ใจนี่แหละตั้งครองเียเชื่อมัน่นตรงใ น, นทีนี้ก็จะเห็นชัดเห็นจริงขึ้นมาในที่เด็ด ทำทั้งหลายไม่ใช่อื่นใครนอกจากกายใจแล้วก็ไม่มีอะไรหมดของจริงนีอยู่ในทีน่นี้แต่เราไม่จริงคือไม่ตั้งใจมั่นคมในทีนี้มันจึงไม่จริงให้พเพือได้เจ้าเจสนาของจริงให้พิจารณาของจริงอย่างว่ เกิดแก่เจะตายเนี่ยพระองค์เทศนาหนักหนาหันห้ารูปเฉียนฉินเราปวดสะพ้าเทศนาเป็นพื้นเลยทีเดียวเกิดคืออะไรกับตัวของเราเกิดมาได้นี่แก่แก่ทุกวนเจ็บไปเจ็บไปทุกวันทุกอยูท่ทุกวั น, ว น, น, นเหนือยเหนือจะตายตายแล้วไม่ไทำหรอกจะตายเล็กน้อยตายอยู่เสมอ ตายวันตายคืนตายเดือนตายปีตายไปทุกวันทุกวันแต่ว่าไม่เห็นไม่เห็นตามเป็นจริงพระพุทธเจ้าอนเทศนาของจริงแต่เราไม่เห็นตามเป็นจริงพระองค์เทศว่าคนเบียดเบื่อทํา ฉะนนั้นเบื่อเบื่อทำเกียดทิธรรมไม่เข้าถึงธรรมธรรมเดสีปะราพระโภคนเกียดชังธรรมไม่เอาธรรมพิจารณาปาราใช้ยพ่แพ้ธรรมกามโหงวังโหติคุกใครในธรรมยินดีในธรรมพอใจในธรรม เป็นผู้เจริญทั้นหลังทุกคนเนี่ยอยากได้จดีพูดตื้นตื้น ต, นนนตามนี่ไม่อยากเอาหรอกว่ากรรมวิกรรมเองพุทโธเ ร, รืออนาปราริติมเอาอยากเอานูน้นเอาวิปรชนายา น, นู่นเอามรรคผนิพพานนู่น เรื่อง ต, ตืนเรื่องต้นหนุนตามนี้ไม่เราพระพมไม่อยากต้องการอยากเรียนอย่างเรียนม่ได้ยมอุดมไปทุ น, ม, ม, นมันได้สําเรดชง่ายพระพมคือจิตทิ่ตั้งในตัวงเราเนี่ยประชมคือกายในตัวเราเนี่แหละนี่ยแต่ผมเบื้องต้น ล้วเกิดมาเรียกวากระถมมาไวแล้ว่อเจริญเติบโตขึ้นมาเรียกว่ามันไวแก่ไวกลางไปโดยลำดับซึ่งเป็นต้นเรียก่กระถมมาไวล้วองค์เทศนาว่ามโนุกพังสมาขม า, า ม, ามโนเจตฐามมโนวิย ญ, ญา มั น, านอาศัเจตนาพาติวกะกัลปิวะทศขอบเบื้องต้นแท่คือจิตคือมโนเป็นเบื้องต้น เ, น ม, นน เ, นเมื่อมีจิตแล้วนะั้นทำนั่นแหละเกิดจากจิต ทั้งหลเกิดจากใจใ น, นมโนเจตฐามโนญาติสำเร็จแล้วโดยใจใจไป่ขอก็เกิดจะพูดจะจา่าจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะเกิดจากใจเท่านั้นถ้าเมื่อใจดีแล้วพูดสเพาะพูดพระ สติวากรโรสติวาก็ทำอะไรก็ น, นิ่มนวลอ่อนหวานทุกสิ่งทุกประ ก, การนั่นในใจมงตท น, นั่ น, นเรียกปฐมใครก็ไม่อยากเรีย น, นเรืร่องปฐมของดีตีปฐมนี่เลยปหาของยมบร ม, มที่ไหนเมื่อปฐมนี่แล้วมันก็ดีอะที มะม่วงเราตามถนนไปกันกถ้าหากว่าเราได้พันดีๆตั้ ง, งปลูกลงไปแล้วนั้นมันงอกงามขึ้นมาผลเมันก็เป็นผลดีผู้งามอ ร, อร่อยอร่อยถ้าหากว่ามันผลไม่ดีติดบนต้นแล้วมันก็เสี้ยบผุฝาฉะัน้นผลเกิดขึ้นมามันก็ไม่ดีอย่างนี้ ให้พิจารณราถึงกายของเราเนี่ยห็นต้นงเกิดความดับใช่ไหมทำทั้งหลายมีเกิดดับเทา่านั้นไม่มีเรื่องอะไรทั้ทงสิ้นทุก อ, อย่า ง, างลาองคิดดูดิพูดเ่องมากมายแท้อะไรก็พูดไปเถอะ คนเกิดแล้วในคนที่เกิดสป็ดับซึงแม่มรคนนี้ฟังก็เหมือนกันไม่เกิดสต่ดับตอนนี้ต้องเกิดที่เฉลี่ยทั้งหลายเกี่ยวกับความนทุกสิ่งทุกการั้นีเรียวเกิดเป็นทุกวิถีทางอันนเรียวเกิดคนดับคือละขอนทิ้งหมด มีอะไรกวรนปัินกิเลสจิ่ในใจกิเลน้อวใหญ่ส่งหมดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่กดดับจะไปหาในอีกอ่ะนี่เกิดตัวดับเท่านั้นเหตนนั้นจงพิจารณาทั้งเรื่องกายที่สมเกิดตรงดับเมื่อเกิดเกิดขึ้นมาแล้วแต่เราไม่ได้พิจารณาเอาพิจารณาเปลานี้ มันละเว้นประมาทมาแล้วงนยังค่ตั้งอยู่เดี๋ยวนี้อเมื่อเกิดเกิดจะมาไตั้งอยู่เดี๋ยวนี้นหะเมื่อเกิดมาจากอะไรทำไมมันต้องเกิดเมื่อเกิดเพื่อประโยชน์อะไรมันเกิดมาอะไรมาบริโภคอาหารมาบริโภค ไช้สอยสิ่งของในโลกอนี้ตัวอย่างเครื่องเป่าไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยคิดดูดีคนเกิดขึ้นมาแย่งกันอยู่กันกินสารพัดทุกสิ่งทุกงหมดอาหารเงาชิมกันมดในโลกอนี้ตัดในน้ํำกับมดตัดในป่าในโลกกับมด แต่ก่อนแต่เก่าเมื่อในป่าเนี่ยโอ้ยยักเยอะแยะป่าในนั้นผมมากมายิ่งกว่ามากเดี๋ยวนี้ไปหาตั้งวันก็ไม่ได้พอจะกินยาใส่นั่นจะเกิดสมัยแย่งกินแย่งกินก็ยุ่งอะดิแย่งก็ยุ่งอะไรดิยุ่งไปหมดแล้วต้องแหนะทุกคน จะไปไหนกันแล้วพันถ้ามีที่ไปอะหากาห่าพิจารณาเรื่ความเกิดเกิดขึ้นมาแล้วพิจารณาล้องดูต้องทําดีต้องทำความดีคือพี่ารณาความเกิดมันมเกิดขึ้นมาแล้วมันแก่มันเจ็บกันตายอย่างนี้แล้วจะไป อาศัยได้ความเกิดอย่างอาศัยได้ความเกิดอย่างเดียวไม่ได้เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันต้องเกี่ยวข้องเพราว่าโผเรื่องทั้งหลายในโลกนอนี้อย่างนี้อยู่จงพิจารณาคามเกิดให้เห็นเป็นของทุกเห็นว่าของทุกแล้เหตุตัวเป็นทุกเหรือคนอดียมันก็ทุกเหมือนกันกับเราถ้าเห็นตัวของเราเป็นของไม่เที่ยงแปรปรวน ตายรับสูนในวันหนึ่งกั้งคืนมันเป็นของไอ้เคียงเราทานอะาหารแย่งกันกินใช่หไหมแย่งเพื่อกินนะ เ, พเพื่ออยู่เท่านั้นแหละไม่ใช่เพื่ออะไรหรอกกินเพื่ออยู่เท่านั้นคัถ้าหากกินเพื่ออยู่มันก็สบายไม่หุ่นไวเดือดร้อน ไม่มีการเย็นกันใครกินเพื่ออยู่เท่านั้นแหละไม่มีอะไรเลยอันนี้มันไม่อย่างนั้นจีมันกินเพื่อสนุกสุขสบายใหญ่เพื่อเติบโตเพื่อเว้นเพื่อฮีเพื่อความสนุกสนานได้แต่ไดก็ไม่พอมันก็เลยเป็นเรื่องยุ่งในคนที่สุดตัวเราเกิดมาก็ต้องตาย นี่มีตนมีตัวสักอย่างเดียวถ้าดีนน้ำปล่อไปมันเป็นก้อนขึ้นมาแตกกระจายไปตัวเป็นดินน้ำปล่ลมของเก่ามันมีอะไรเหลืออะไรกันทุกคนพิธีนณาเลยมันไม่เบียดเบียนยกันเลยแต่อยู่เย็นไม่สุขจากภฐวันตราดจนหมดต่างก็มีความเอ็นดูเมตตาต้องสารปานีขึ่งกันและกัน เห็นความไม่เที่ยงคนเป็นทุกข์เห็นเป็นของอนัตตาทุกคนจ้เป็นอยู่อย่างนั้นทั้งโบกใจมันก็สงบคนใจคนนี้สงบแล้ว้งนั้นมันก็สงบคนอื่นก็พิจารณาอย่างเดียวก็จสงบเหมือนกันคนไหดใครจะอยู่คฟ้าสำลักไม่มีหรอก คนที่หมายมากหน่อยจะอยู่ข้าำฟ้าข้าำโลกกันนะจะใหญ่โตเติบโตขึ้นไ่นะยังมั่งมีรุ่มรวยนะอันนั้นนะไม่ค่อยแย่ง ข, งของมากเนื้อที่นาต้องเกิดความดักอะไรสบายเป็นสุขไม่เครื่องไม่มีเครื่องเดือดร้อนรุ่นหวายเหมือนกันนะพระพุทธเจ้าจังสอนว่ามีทางเดียวเท่านี้ที่จะระ ง, งับทุกข์ได้ คือมันทุกอยู่แล้วนั่นสอนให้มันงับทุกข์คือไม่ให้มันเกิดทุกข์เท่านั้น่ะเพราะเหตุที่พิจารณานิจังทุกฝังงนิจตาในตัวขอเราทุกคนพิจารณาอย่างนั้นไม่ใช่พิจารณาแต่คนเดียวสอนมดทั้งโลกพิจารณาอย่างนั้นให้เกิดขึ้นมาก็ต้องสอนเหมือนกันก็องไม่ได้ลาเอียงก็องค์ไม่ได้รักคนนั้นชังคนนี้ ไม่ได้เกลียดคนั้นโกรธคนนี้อะไรวัดสอนเป็นธรรมเลยจริงได้เป็นธรรมนั่นนะ่ะเพราังก็เส ม, มอภาพกันจริงว้คงเกิดเป็นธรรมก็แก่เป็นธรรมตงเจ็บเป็นธรรมต้ตายเป็นธรรมเอาธรรมเนี่ยมาสอนนะพุทธเจ้าธรรมที่เกิดมาสอนนั่นนะ่ะจึงมาเป็นธรรมกเกิดแก่จะตายใครมีอนะมีทุกคน มันต้องสอนทุกคนอะไรธรรมะาสามสองคุณเจ้าเสรสรุปลวงแล้วไม่มีอะไรเหลือเห็นชัดตามจริงอย่างนี้แล้วอยู่สงบเป็นสุขทุกเมื่อด้วยประการนี <Yeah. S 1> ้เอายังทําความสงบ ตั้งจิตกำหนดพิจารณาตั้งสติกำลนดพิจาณาจิตให้แนวแน่มันถึงมันถึงจะสงบกายสงบแล้วใจมันยังวุ่นอยู่มันคิดนน้นคิดนี่ส่งนน้นส่งนี่อยู่มันไม่สงบวาจาก็สงบแต่ใจยังดิ้นหล่นอยู่คิดส่งไปมาหน้าหลัง แม้ตั้งมันเดี๋ยวก็เดี๋ยวคิดดีเดี๋ยวคิดร้ายเดี๋ยวคิดรักเดี๋ยวคิดชังเดี๋ยวคิดโกรธโลภโง่พัพาทุกอย่างวุ่นมดมันวุ่นอยู่คนเดียววุ่นอยู่ในหัวใจคนเดียวพุ้งอยู่ในหัวใจคนเดียวไม่สงบได้ เมื่อไม่สงบแล้วคราวนี้ไปอยู่ไหนมันก็ไม่สงบที่ห่อเหินเดินอ า, ากาศอยู่บนฟ้ามันก็ไม่สงบหมุดดำไปยุดใต้น้ำในดินมันก็ไม่สงบเที่ยวไปมดทุงท่งแห้งทุ่งโงนมันก็ไม่สงบนานๆนั้นก็กระโโตมาปากรกวกรนนั้นกอกนี้พุ้งไปหมด ท่านพูดว่าความไม่สงบเมัอนกับมาที่เรื่อนหรื่านี่ยท่านพูดอย่างหยาบมาขี่เรื่อนนี่ยนะจะน้อนไหนก็ควักอยู่นั่นก็คุกคกคุอยู่นั่นนะมันมันไม่สงบสักทีทั้งนี้ก็ไม่สบายตรนี้นก็ไม่สบายที่นันก็ไม่สบายหมายว่ามันไม่ที่ไม่สบายในที่จริงมันเกิดในตัวเรื่อนันต่างหากน่งอยู่ นั่นก็ไม่สงบถ้าสงบแล้วอยู่ในบ้านก็สงบอยู่ในวัดก็สงบอยู่ในป่าในรกก็สงบอยู่ในถ้ำในเขาก็สงบสงบมดทุ่งแห่งทุกคนเราสงบคนเดียวเท่านั้นสิ่งอื่นมดในโลกอนี้มันจะวุ่นวายสักเทอไหมันก็ไม่เอาเรื่องทาง เรื่องของคนอื่นกับเป็นเรื่องของคนอื่นดังนั้นให้ตั้งสติรักหาจิตให้มันแน่วแน่อยู่ในอารมณ์มันเดียวด้วยคำบริกรรมพุทโธหรืออนาปานสติก็ได้ให้อยู่ในที่เดียว ตามรู้ตามเห็นมันอยู่ทุกขณะสติตัวนี้เป็นของสำคัญ ม, มากเป็นรักฐานของการภาวนาเป็นรักฐานพุทธศาสนาทั้งหมดเป็นรักฐา น, นาของคุณงามความดีทั้งนั้นถ้าเห็นสติอยู่ทุกเมื่อแล้วถ้ามีสติทุกเมื่อแล้วาตามกระจิตที่ทุกเมื่อ จะไปไหนที่ไหนละอายสติเพราะความวุ่นวายเดือดร้อน ล, ละอายสติความโกรธก็ละอายลสติความโลภความหลงก็ละอายสติสติคือผู้รักษาจารยญาตคือปัญญา ความรู้ตัวเรียกว่าปัญญาผู้มีสติก็ต้องมีปัญญาเอาปัญญาตรงนี้ไปก่อนอี่ต่ปัญญาสูงนักเลยเาราก็ข่มมือต้นอยู่ละสติรู้จิตอยู่เกิดความรู้อยู่ทุกขณะลองดูตัวปัญญาดัน มันมากเพราะเสด็จอาจารยอย่างนั้นเป็นยาก็เอาไว้สิเอาเรื่องเอาเอาเก็บไป น, นั้นนหะที่เก็บเอาเข้าเก็บเอาสิ่งนั้นแนหะมันที่จะตีไปรู้นะอย่างไอ้รู้ที่เหลือของตนเรื่องโลโลภะมันจะได้อะไรอย่างหมายถอยากได้สิ่งของมันเดามาทำไม ทำมาบำรุงร่างกายทำมาบำรุงร่างกายาบำรุงอะไรเราเป็นความตายแต่ตายเป็นได้อะไรหรืมันก็หมดเรื่องมันก็สติมื่อตัวนั้นความรู้ตามนั้นมั น, านตามรู้ตามเห็นด้วยกันนั่นก็หมดเรื่องมันจะเอาไป ท, ไคคทําไมความโกรธขันทั้งโกรธเขาไอ้ขันสติไปดูความโกรธเข้าไปรักษาความโกรธ โกรธเขาเพื่อความาแไรเพื่อความอยากได้อย่างนี้หมดเพื่อความเอาแพ้เ อ, อนนาชนะเขานหนือชนะไปทไนนําไมชนะอะไรกับฝันความแพ้มันมีอยู่ในโลกอันนี้แพ้มันต้องชนะในตัวชนะต้องแพ้นนในตัวมันต้องมอีแพ้ในชนะเนีน่ยอย่างโกรธเขาตัวดําตัวแดงหน้าดําหน้าแดงเนี่ย พูดเาซอเซ็ตเซ็นทั่ ง, งเราเขาไม่กล้าพูดกับเราเรียกว่าเราชนะเขาเป็นคนโกรธของเรานั้นเราชนะไหมเร า, า แ, ลแล้วก็ไม่ชนะอยู่ดีๆเนี่ยชนะไปเขาพูดเนี่ยคนโกรธไม่ชนะเขาเรามันโ ก, กรธอยู่เนี่ยให้เขาพูดเขาไม่โกรธสบายเลยอย่างนี้แหละปัญญาตามุลีเนะี่ย มันที่สุดเเหนื่อยเปล่าตัวเราเป็นทุกข์้อีกต้องโตรธนันทำให้เลือดขึ้นหน้าดำหน้าแดงอาหารไม่อดไม่ใส่ย่อยระบบประสาทไม่ย่อยท้องเสียข้อสมรรถอยู่มันมีอยู่อย่างนี้แหละ หาสงบแล้วสันนิ่งแนวเฉยอยู่ไม่มีอะไรผันสบายเราคนอื่นก็สบายตัวของเราก็สบายนั้นเีวมมกว่าสงบงาก็ไม่ได้มากอเอาเถอะพวกเราที่มาอยู่นี่แหละในรายวยี่สิบสามทุกคนนี่แหละได้รักสองสามคนให้สงบจ้ะ มูเฟื่องกับคอยพอยเย็นในตาได้ข้าแตงโมก็คิดคนในมูเฟื่องแบบนิ่งเย็นมากนิ่งสงบมากเข้าไปทุกทีอันนี้ความสงบเป็นสุขอย่างนี้มีประโยชน์อย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่งพิจารณามันเห็นประโยชน์งงนความสงบเท็นโทษความวุ่นวายความเดือดเบีน ก็จะเป็นประโยชน์นยิ่งอย่างอธิบายท่านั้น